ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเอ3สามแผ่นที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ็มสาแผ่นที่ห้าสิเกให้คติธรรมว่าจงรีบทำความดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่คือกล่าวเตือนกันทุกคนอย่ารรัดวันประกันพุ่งว่าข้าพเจ้าอายุยังน้อยข้าพเจ้ายัางแข็งแรงข้าพเจ้ายัางไม่พร้อมที่จะทำคุณงามความดีเพราะทานการทำความดีมีหลายระดับให้พวกเราท่านทั้งหลาย อันไหนที่อยู่ใกล้ตัวที่จะทำก็ให้เรียบทําคุณงามความดีนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนบางทีนั่งรถนั่งเรือไปดีๆประสบอุบัติเหตุก็มีมากต่อมาก เพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจงเรีบธรรมความดีตั้งแต่วันนี้เมื่อได้ยินได้ฟังพระพธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเราได้ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์มาแล้วให้เรา ให้ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลเจียงหมายที่พวกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ใส่ใจในการประกอบคุณงามความดีในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตพวกเราจะรู้สึกเสียใจ แต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราเริ่มทำความดีตั้งแต่บัดนี้พวกเราจะอุ่นใจไปตลอดจนนาทีสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะเราทำคุณงามความดีมาโดยตลอดเพราะนั้นจึงให้คติธรรมดังที่ได้กล่าวมาด้วยอำนาจคุณพระศี